ผู้ทั่วสวัสดีค่ะเราต้อนรับท่านเข้าสู่โชว์เวลาของรายการสัมสีน์สนทนานะคะกันครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุครอบครัวาข่าว f m ฟเอยหค่ะย่างเข้ามาถึงเดือนมีนาคม2559ันหรเือเวลาที่จะอยู่บนโลกกันน้อยลงไปทุกวันทุกวันนะค ะ, ะใช้ชีวิตกันอย่างให้มีคุณค่ามากที่สุดค่ะรายการของเราเริ่มต้นด้วยการจะเชิญชวนท่านทั้งหลายให้เข้าสู่การปฏิบัติธรรมกันกับพระมหาภาบูรณญอภิปุโน ซึ่งจะมาเป็นผู้ขายข้อข้องใจในเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะไปกราบน้มักการท่านกันเลยค่ะน้อมสักการ ก, กันท่านค่ะเชิญพอนเรามาเริ่มการฟังตามด้วยการปฏิบัติธรรมโดยการขั้นตอนแรกเราก็ให้ตั้งสติขึ้นแตอย่างเช่นการที่เรามาระลึกถึงว่าเรามีเวลาอยู่บนโลกเราน้อยลงไปทุกวันทุกวันเนี่ยลักษณะก า, ารที่เราระลึกถึงตัวนี้เป็นการตั้งสติอย่างหนึ่ง ก็เว่าเป็นมรณะสติคำวมามรณะสตินั้นก็คือการระลึกถึงว่าเอ๊ะเวลาของเรามันน้อยลงน้อยลงไปทุกวันทุกวันเวลาที่น้อยลงไปน้อยลงไปอย่างเนี้ยเราก็จะมีความตายเป็นธรรมดาเมื่อบุคคลระลึกนึก ถ, ถึงตรงนี้ได้แล้วก็ต้องมาคิดเป็นในขั้นตอนที่สองว่าเอ๊ะมีอยู่หรือไม่หนอบาปอากุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ถ้าเผื่อว่าเราจะต้องตายไปในคืนนี้หรือวันนี้ บาปอากุศลธรรมเหล่านั้นมีอยู่หรือไม่แต่เรามาพิจารณาดูรู้ว่ามันมีอยู่เนี่ยให้รีบละบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วนพระบรมเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่มีคนเขาผมไฟไหม้อยู่ไฟไหม้ลุกติดอยู่ที่ผมลุกติดอยู่ที่เสื้อผ้าเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องรีบทําก่อนเลยคือไม่ใช่ไปกินข้าวไม่ใช่ไปโทรหาคนนั้นคนนี้ แต่เขาจะต้องรีบดับไฟที่ผมรีบดับไฟที่เสื้อผ้านั้นโดยด่วนเช่นเดียวกับว่าถ้าเราพิจารณาเห็นแล้วว่าโอ้ยเราเวลามันก็งวดลงงวดลงชีวิตเรามันก็น้อยลงน้อยลงมองอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่าเป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่ว่าเป็นการมองโลกในแง่ดีด้วยซ้ําเพราะว่าจิตของเรานั้นมีสติตั้งขึ้นบุคคลที่มีสติตั้งขึ้นด้วยการเจริญมรณสติเนี่ยชื่อว่ามีจิตใจดี เป็นการมองโลกในแง่ดีมองให้เห็นพิจารณาว่าเอบาปอากุศลธรรมในจิตของเรานั้นมีอยู่หรือไม่ที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะทําให้เราไปไม่ดีอันนี้เราต้องรีบละมันเสียวิธีการที่เราจะละบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นให้ออกไปจากใจของเราเราเริ่มต้นโดยการตั้งสติขึ้นนั่นเองการที่เรามีสติมาระลึกนึกถึงชีวิตของเราที่มันมีอยู่น้อยลงน้อยลงอันนี้เราพบว่าเราจะมีความ แก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาการพิจารณาตรงนี้อันนี้คือการเจ ร, ริญมรณสติเมื่อมีการเจ ร, ริญมรณสติอย่างนี้แล้วก็ให้ทำความดีเกิดขึ้นในใจเช่นเจริญเมตตาภาวนาเช่นการที่จะระลึกถึงบุญคุณของมารดาบิดาหรือการที่จะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าการมาระลึกนึกถึงลมหายใจพวกนี้จะเป็นผลที่ตามมาจากการที่เราตั้งไว้ซึ่งมรณาสติแต่ถ้าพบว่า ในใจของเรานั้นมีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมดีอยู่แล้วแต่มีการเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำมีการฟังธรรมะอยู่เป็นประจำมีการให้ทานมีการที่รักษาศีลอยู่เป็นประจำศีลน่ารักษาได้เนี่ยเราระลึกถึงศีลคือถึงคุณงามความดีต่างๆเหล่านี้อันนี้แสดงว่าดีลักก็ให้ทรงอยู่ด้วยความดีนั้นอยู่ตลอดทั้งวันและทั้งคืนแตบุคคลที่มีการพิจารณาพัฒนาจิตของเราไป เป็นลักษณะนี้ชั่วมีการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่ว่าเห็นแต่ว่าจะตายจะสั้นลงจะน้อยลงไม่ใช่อย่างนั้นแต่เห็นถึงคุณงามความดีที่เราจะพัฒนาให้เกิดขึ้นเห็นถึงความชั่วความบาปที่มันจะลดลงลดลงลักษณะการมามองแบบเนี้ยคือการมองโลกในแง่ดีเรามองโลกในแง่ดีจิตเราตั้งขึ้นได้จิตเราตั้งขึนง้นได้เวลามีปัสสาวใดๆมากระทบจะเป็นปัสสาวที่น่าพอใจก็ตามไม่น่าพอใจก็ตามเราจะอยู่เหนือปัสสาวต่างๆเหล่านี้ บุคคลที่สามารถอยู่เหนือภาษาต่างๆเหล่านี้ก็เพราะว่าสติเขาตั้งขึ้นนเองแม่ว่าท่านผูฟังจะใช้เครื่องมืออะไรจะเป็นการเจริญมรณสติอย่างที่ว่านี้จะเป็นการมารู้ลมหายใจอย่างที่เราฝึกปฏิบัติกันมาจะเป็นการมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติจะเป็นการระลึกถึงศีลถึงสิ่งที่เราได้เคยทําความดีมาเป็นศีลานุสติจะมาระลึกถึง ทานที่เราเคยให้ไว้อันนี้ก็เป็นจาคานุสติแต่ระลึกถึงสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยไม่ใช่ว่าจิตใจฟุ้งซ่านนะจิตใจจะคิดไปในการทําบุญให้ทานคิดเปในการรักษาศีลไม่ใช่ฟุ้งซ่านแต่ว่าจิตนั้นท่องเที่ยวไปในที่ที่ดีพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าการที่ลิงมันเที่ยวไปในป่าเที่ยวไปในที่ที่ดีจับกิ่งไม้ที่ดีก็ไม่มีปัญหาอะไรไปที่ที่เป็นที่เที่ยวแห่งบิดาของตน ที่ที่เป็นที่เที่ยวแข่งบิดาของเรานั่นก็คือสติปัฏฐาน4ี่นั่นเองเราตั้งจิตไว้อย่างนี้นะับชื่อว่าเป็นผู้ที่เดินตามรอยพระศัสดาพระบรุตรเจ้าไปทางไหนเราเดินติดแนบแน่นไปกระด้านเลยในะจิตให้ทรงสติอย่างนี้เอาไว้เห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดนะรับรู้สิ่งใดๆมาแล้วเนี่ยให้ตั้งสติเอาไว้อยู่ในความดีให้ได้ในะจิตเราก็จะมีการน้อมไปในทางมรรคมรรคผลก็จะค่อยพัฒนาขึ้นดีขึ้นนั่นเอง าสาธุค่ะพูดถึงถ้าเราฟังครูบาอาจารย์เยอะๆเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปบ้างนะคะอย่างกับดิ่ฉันฟังครูบาอาจารย์บางท่านอก็บอกว่าอวิโตวิจารณคือการใคร่ครวญในธรรมอืมแต่ว่าบางท่านก็พูดถึงการวิโตวิจารนั้นคือคําภาวนาอื ม, อม เดชุ่มได้ทราบว่าถ้าถามท่านพิบูณ์ท่านจะบอกว่าวิตกวิจารณ์คืออะไรคะอ๋อวิตกวิจารก็คือความคิดที่เป็นกุศลธรรมเพราะฉะนั้นคําว่าความคิดที่เป็นกุศลธรรมมันก็กินความกว้างไงกินความกว้างอาจจะหมายถึงคําพูดที่มันเป็นสิ่งที่เป็นความดีเช่นว่าเราพูดเรื่องดีๆอันนี้ก็เป็นวิตกวิจารณ์ได้ สมมติเนะะี่ยค่ะดิฉันยกตัวอย่างตรงตรงเลยนะคะอย่างเช่นคําภาวนาต่างๆที่ท่านได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เนี้ในความหมายที่ฉันที่ดิฉันฝั่งครูบาอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยนะคะอท่านก็ได้กล่าวในคานองว่าคําภาวนาไม่ว่าจะเป็นคําอะไรก็แล้วแต่จัดได้ว่าเป็นคำวิตกวิจารณ์ในที่นี้ท่านไปบูลกําลังจารสรุปว่าถ้าเป็นความคิดในทางขุศลคําเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นวิตกวิจาร์ด้วยไหมคะ จุตัง้ตงหรอังนนี้อาตมาเห็นด้วยนะเพราะว่าก่อนที่เราจะพูดได้เนี่ยพระพุทธเจ้ า, เาได้จริงๆแล้วเป็นภิกษุนีที่ชื่อธรรมะทินาแท่านได้เคยอธิบายถึงว่าผลของสัญญาเนี่ยก็คือจะมีวจีสังขารนะเหตุของสัญญาคือความคิดความหมายรู้เนี่ยนะซึ่งเป็นลักษณะของวิตกวิจารเนี่ยจะออกมาเป็นวจีสังขารอย่สมมุติว่าเราเราจะาคิดว่าจะพูดกับคนนี้อย่างนี้เนี่ย คุณก็ต้องคิดในใจก่อนเรียบเรียงเป็นคําพูดในใจก่อนอันนี้คือวิจตวิจารณแน่นอนแล้วก็พูดออกไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราพูดในใจอันนี้คือวิจตวิจารณแน่นอนเพราะฉะนั้นคําบริกรรมที่ที่หมายถึงว่าต้องเป็นคําที่ดีด้วยนะเช่นว่าชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นวิจตวิจารณแน่ทีนี้ว่าอย่างนี้นะคือคุณโยติวถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าเราฟังครูบาอาจารย์ก็จะมีความเห็นแตกต่างกันไปเนี่ยเอางี้เราฟังแม้แต่พระพุทธเจ้าเอง ถึงแมเราฟังพระพรุทธเจ้าพุทธพจน์หมดเลยแต่เราฟัง พ, พุทธพจน์เองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้โหแบบมันหลากหลายมากก็ใช่ไหมครับพระพรุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนเรื่องเดียวทั้งหมดท่านก็สอนไว้เยอะแยะมากมายเนี่ยฟังตรงนี้ฟังตรงนั้นแล้วฟังตรงโน้นบางทีมันเหมือนกับว่าโอ้ยมันหลากหลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยเราจึงต้องมีการที่แบบว่าเออ ม, มันอยู่ที่ว่าเราแตกต่างกันตรงไหนนะอ่า อ, อยู่ตรงไหนของจุดไหนของที่เรื่องที่พูดกันนี่ง ท่านจะกล่าวเรียนท่านนะ น, นะคะว่าในประสบการณ์ของตัวเองเมื่อผ่านการศึกษาธรรมะมาแล้วก็รู้จักคนที่ฝักใฝ่ในเรื่องเดียวกันในระยะยาวพอสมควรก็ได้พบว่าบางคนเนี่ยศึกษาล่ําเรียนไปแล้วก็เกิดความสงสัยอืเพราะว่าเหมือนนักวิจัยต่างๆนักวิชาการาต่างๆเนี่ย น, นะคะที่ศึกษาในเรื่องเดียวกันอื ก็จะมีความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันอาจจะแตกต่างกันไปบ้างอืมแต่ว่าในส่วนของเรื่องของการศึกษาศาสนาเนี่ยดิฉันก็ยังมีความรู้สึกว่าสําหรับพระพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างอยู่บ้างที่ว่าพระพุทธองค์ทรงเน้นในเรื่องของการปฏิบัติโอเคอหมายความว่าผู้ที่ปฏิบัตินั้นเอาทฤษฎีนไปลองทําอืมแล้วก็ได้ผลอย่างไร เอาผลมาตรวจสอบทีเ่เชื่อใจอย่างนั้นนะคะโอเคแต่ทีนี้จากประสบการณ์ที่ไดเจอก็คือเหมือนกับว่าก็ไม่ทราบว่าใครปฏิบัติกันแค่ไหนอย่างไรอืแต่ก็เกิดการมาสอบสวนทวนความซึ่งกันและกันเองแล้วก็ได้พบว่าเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์นั่นสอนอย่างนี้ อ, อีกคนมึงพูดอย่างนั้นอทําไปทํามาเนี่ยจะทะเลาะ ก, กันเอานะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ศรัทธาอ่าแล้วก็อาจจะเข้าใจอื แล้วก็เข้าใจด้วยบริสุทธิ์ใจด้วยไม่ได้เข้าใจว่าเพราะว่าเป็นครูอาจารย์ของฉันอื ม, อมเข้าใจนะคะอะ่มันก็เลยจะทำให้ในหนทางของการสนทนาธรรมเนี่ยบางทีได้ฝึกฝึกการละการวางการปล่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ฉันเข้าใจว่าก่อนที่จะสู่วิมุตตหลุดพ้นมนุษย์ทุกคนมีตัวตนหมดอืมอ ม, อ ม, มันก็ทำให้เริ่มที่จะไม่อยากสนทนาธรรมกับใครละอืมอืมอ เกิดความรู้สึกกันอย่างนั้นอันนีด้ดิฉันเล่าประสบการณ์ตัวเองเลยนะคะ <Okay. S 2> แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะสำหรับภูมิปัญญาคนที่ไม่ได้ศึกษาแบบเอาเป็นเอาตายใช่ไหมคะมมมศึกษาแบบเหมือนกับจะพอตัวดูแลจิตวิญญาณของตัวเองอและถ้าจะมีบุญสามารถที่จะเผอผพรไปสู่คนอื่นพอตัวเพื่อผู้อื่นได้ ก็ถือว่าเป็นเป็นประโยชน์ที่ได้เพิ่มมากขึ้นเ <Okay. S 2> ด็กก็เลยชักสับสนก็อยากจะกราบเรียนถามท่านว่าเนี่ยค่ะเราจะทำอย่างไรดนีเพราะเราไม่ใช่ผู้หูสูตรคนนั้น <Okay. S 2> ค่ะโอเคประเด็นที่คุณโยมติ๋วพูดขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยจะต้องแจกแจงกันไ้อยู่ทั้งหมดสามเรื่องด้วยกั น, เ, นเรื่อง<ะ>แรกเนี่ยคือธรรมะของพระพราชเจ้าเนี่ยนะเมื่อศึกษาปฏิบัติไม่ว่าจะแนวทางไหนก็ตามเนี่ยนะมันจะทาให้คลายความ เคลือบแคลงเห็นแย้งแน่นอนถ้ายิ่งศึกษาแล้วเห็นแย้งมากขึ้นยิ่งศึกษาแล้วเคลือบแคลงมากขึ้นยิ่งศึกษาแล้วไม่ลงใจมากขึ้นเนี่ยอันนี้แสดงคุณไม่ถูกทําไม่ถูกแต่ศึกษาแล้วพัฒนาแล้วปรับปรุงแล้วปฏิบัติแล้วมันจะต้องเคลือบแคลงน้อยลงเห็นแย้งน้อยลงมีความลงใจมากขึ้นแต่ความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเนี่ยนะไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่มีคําถามนะมันไม่ใช่คนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นคําถามกับความเห็นแย้งเคลือบแคลงไม่ลงใจเนี่ย 2 อ, อย่างนี้คนละอ่านกันโอเคไหมเราศึกษาวัฎฏธรททรมะเนี่ยต้องแจ่มแจ้งมากขึ้นจิตใจต้องสว่างมากขึ้นไม่ใช่ว่าเห็นแย้งมากขึ้นเครื่อนแปมากขึ้นแสดงว่าทําไม่ถูกหลายที่ว่าทําถูกหรือไม่ถูกเนี่ยทำอย่างไรนะแต่คําถามนี่มีได้นะคำถามมีได้เช่นบาคนปฏิบัติที่ลึกซึ้งลงไปแล้วเอจะมีคําถามจุดนี้มากขึ้นเห็นแง่มุมละเอียดมากขึ้นอันนี้มันถึงจะถึงจะไปทางนั้นเมื่อเห็นมีความละเอียดมากขึ้นอาจจะมีคําถาม แต่เป็นคําถามที่ไม่ได้เกิดจากความเกลื่อนแกล้งเหยียดแย้งเข้าใจนะคําถามที่เกิดจากความเกลื่อนแกล้งเหยียดแย้งนี่ก็อันหนึ่งคําถามที่เกิดจากการที่เราปฏิบัติแล้วเอ๊มันยังมีความสงสัยอยู่บ้างในบางจุดบางประเด็นอันนี้มีได้โอเคนะ<ๆ>โอเคนี่เป็นประเด็นที่1ที่ต้องแยกกันในทางคําสอนของพระพรุทธเจ้าเนี่ยบางทีเราปฏิบัติไปพัฒนาไปเนี่ยคำถามเราจะต้องลดลงลดลงแต่ไม่เหมือนกับในทางโลกที่อย่างเช่นในทางฟิสิกส์อย่างเงี้ย คุณศึกษามากขึ้นแต่พบว่าคำถามที่คุณไม่รู้เนี่ยมีมากขึ้นอย่างเช่นว่าเกี่ยวกับอวกาศอย่างเงี้ยหลุมดําเขาเข้าไปเจอมาคืออะไรเอ๊ะมันเป็นยังไงกลับแทนที่ว่าจะได้คําตอบมากขึ้นคุณศึกษาไปศึกษาไปกลับมีคําถามมากขึ้นแต่ในทางคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยศึกษาไปศึกษาไปคุณจะต้องมีคําถามน้อยลงน้อยลงโอเคนะอันนี้ถ้าเราจะอุปามาอุปไมยเปรียบเทียบเหมือนกับความรู้ของเรานะถ้ามันขนาดเท่ากับรูปปิงปองใช่ไหม เราศึกษามากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นไอ้ลูกวินปองเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นมาเท่ากับลูกสม้สมส้มส้มกี่วา น, นี้นะข้างในคือ<ฆ>สิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ปะ่ะ<ฆ>เราก็ไปศึกษ า, าอีกอ่านหนังสืออีกไปคุยกับครูบาอาจารย์องนั้นอง น, น, ออนี้จากเท่าลูกส้มเนี่ยมันก็มาเท่าลู ก, กส้มโออย่างเงี้ยข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ไปศึกษาอีกปฏิบัติอีกเข้าคอร์สอีกที่นั่นที่นี่ที่โน้นคุยกับครูบาอาจารย์องนั้นองนี้องโน่ก้นมากกอบลู อะไรที่มันจะใหญ่กว่าโซโมคุณยมติว๋วลูกฟักทองเอา้าแตงโมค่ะเออเอาแตงโมเลยอ่ะข้างในคือสิ่ ง, <า>งที่เรารู้นะข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ปะ่ะเราจะพบว่าเมื่อเราไอ้สิ่งที่เรารู้เนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเส้นรอบผิวเนีเส้นรอบผิวของแตงโ ม, มเนี่ยมันใหญ่กว่าลูกมะนาวนะแสดงว่ามันมาโดนสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยมากขึ้นคุณยมติวก็จะเป็นนี้นี่ไหมเมื่อเราศึกษามากพอเรียนรู้มากขึ้นไปเออเราพบว่าเราไม่รู้มากขึ้นแฮ อันนี้คือทางโลกที่คุณศึกษาออกไปข้างนอกอันนี้ยังไม่ถูกเราจรึงเป็นการศึกษาปฏิบัติเข้ามาในภายในตรงนี้คือเราจะต้องทวนกระแสของโลกตรงนี้นะไอ้คาถามของเราก็จะลดลงโอเคนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่ว่าทําไมบางคนถึงว่าบางทีคุยจะมาไปแล้วมันเกิดจะแบบจะทะเลาะ ก, กันด้วยซ้ำอันนี้คือจะเป็นประเด็นที่2อี้ว่าแสดงว่ามีความยึดถือมีความยึดถือพอมีความยึดถือแล้วเนี่ยมันก็จะมีความห่วงกัน มีความห่วงกันก็จะมีเรื่องราวที่จะเกิดจากความห่วงกันอ่ะอันนี้คือการใช้อาวุธมีโคมไม่มีโคมการใช้หอคือปากนะเพราะว่าการห่วงกันอันเป็นผลของการยึดถือถามว่าเอ๊ะแล้วเรายึดถือกับการที่เรามาปฏิบัติธรรมะมันเพื่อคลายความยึดถือนี่แต่ทำไมปฏิบัติธรรมะแล้วมันกลายเป็นความยึดถือมากขึ้นตรงนี้คือจึงต้องทวนกระแสเข้ามาข้างในไม่ใช่ว่าศึกษาไปข้างนอกแล้วรู้มากขึ้นแต่กลับพวบว่าตัวเองไม่รู้มากขึ้นโอเคนะ เพราะฉะนั้นความยึดถ <studied> ือกับการเอาเป็นที่พึ่งนี่คือประเด็นที่สองที่วมันต่างกันเราเอาพระบุตรพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ไม่ได้ยึดถือไว้นคําว่ายึดถือเนี่ยศัพท์เนี่ยมันหมายถึงว่าเอามาเป็นของตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราหนี่ของฉันธรรมะของฉันครูบาอาจารย์ของฉันพระบุรธชจ้าของฉันพระธรรมของฉันของฉันของฉันของฉันเนี่ยอันนี้คือฉันมันก็โตขึ้นโตขึ้นพอตัวมันโตขึ้นไอ้เส้นรอบผิวมันก็ใหญ่ขึ้น มันก็ไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่รู้มากขึ้นโดนสิ่งมากระทบมากขึ้นมันก็จะมีปัญหามากขึ้นแต่การเอาเป็นที่พึ่งเนี่ยคือไม่ได้เอามาเป็นของเรานะแต่ใช้ประโยชน์เฉยๆใช้มาประโยชน์ในลักษณะไหนใช้ประโยชน์ในการที่จะลอกขูดกิเลสออกจากใจของเราใช้ประโยชน์ตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่เราเอามาเป็นที่พึ่งเนี่ยคือเอามาใช้ประโยชน์ให้ไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นไม่ดีในใจของเราเนี่ยมันออกไปออกไปนะพอสิ่งไม่ดีในใจของเรามันออกไปออกไป ในความเป็นตัวตนของเรามันเล็กลงเล็กลงในที่มันจะไปสัมผัสกับสิ่งภายนอกมันก็จะน้อยลงน้อยลงปัญหามันก็จะน้อยลงคำถามก็จะน้อยลงความเครือบแคงก็จะน้อยลงใจมันก็จะสบายขึ้นตรงนี้นะเพราะฉะนั้นใน2ประเด็ น, น ent, ก็คือเรื่องของความรู้นะว่าเรา uh. ศึกษาแล้วมันจะต้องมีความเครือบแคงน้อยลงในประเด็นที่2ก็คือว่าเรื่องของความยึดถือเนี่ยมันต่างกันกับเรื่องของการอเป็นที่พึง่ง แล้วเรื่องของการประเด็นที่3คือเรื่องของการสนทนาธรรมเนี่ยควรทำนะคุณยมติว๋วธรรมะสากัจฉาเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งคือคือไม่ใช่ว่างั้นเราไม่พูดกับใครเลยนะก็ไม่ใช่ธรรมสากัะฉาเนี่ยเป็นมงคลนะพะบุริชาตรัสไว้หนึ่งในมงคลหลายๆอย่างในการสนทนาธรรมตามการนนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งก็ตามการในขณะเดียวกันการสนทนาธรรมเนี่ยก็ต้องตามการเนี่ยห ม, มายความว่าคุณจะต้องมีเวลาไปไปฏิบัติด้วย มาดีการสนทนาเอิมก็ได้ประเด็นใหม่ๆได้ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างเช่นเรามาฟังธรรมมาคุยกับคุณโยมเติยวคุยกับอารมาเนี่ยก็สามารถทําให้มีประเด็นบางเรื่องบางราวที่อารมาก็ไม่เคยคิดว่าเออมันจะเป็นคําถามแฮะก็ได้พูดออกมาได้อธิบายออกมาก็เป็นประเด็นที่ดีขึ้นมาได้ในสามเรื่องนี้ทางนี้ค่ ะ, ะคือเดี๋ฉันก็มีความรู้สึกอย่างนี้นะคะว่าเห็นคนโบราณโบราณอืม ผ่านมาเป็นปู่ย่าตายายเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เราจะเห็นในลักษณะของท่านที่มีความสุขความสุขจากการปฏิบัติแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้เรียนพระธรรมคาสอนอะไรมากมายนะักแต่ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกให้เจริญสติปัฏฐานสนะคะให้สนใจในเรื่องของรูปกับนามคือทีฉันเคยไปักคุณทวดท่านหนึ่งนะคะอายุจะร้อยแล้ว ถามว่าทําไมยังดูแข็งแรงอยู่เลยทําอะไรบ้างท่านก็บอกไม่ได้ทําอะไรหรอกวันๆก็จเจริญสติปัฏฐานสี่ก็เลยถามว่าแล้วคุณยายเรียนจากที่ไหนคะเขาบอกเรียนพระอาจารย์ที่วัดเนี่ยก็ดูรูปดูนามไปท่านไม่พูดอะไรมากกว่าเนี้นะคะอืแล้วรู้สึกว่าดิฉันว่าธรรมะท่านจเจริญ น, นะคะดูจันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแต่ในขณะที่การที่เราไปลงรายละเอียด ของธรรมะมนะคะนี่ฉันถามว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากลงรายละเอียดนะอืมเราผิดไหมคะอ๋อไม่ผิดสิเพราะว่าการที่เราจะกําหนดบทเพย์นชนะออกไปเพื่อที่จะอธิบายรายละเอียดอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยบางทีการกําหนดบทเพย์นชนะนั้นแต่ละคนก็มีความคลาดเคลื่อนมีความไม่เหมือนกันนะเช่นอาการของจิตมันอย่างนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นกับคุณโยมติ๋วเนี่ยคุณโยมติ๋วก็อาจจะอธิบายออกมาแบบหนึ่ง อาการจิตแบบเดียวกันที่เกิดขึ้นกับคุณโยมติ๋วที่เกินนดขึ้นกะับนายอาตมาเนี่ยนะอย่างนี้เนี่ย อ, อาตมาจะอธิบายกําหนดบทเพี้ยนจะเอามาแบบหนึ่งมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้เพราะว่าพื้นฐาน Background การศึกษามันต่างกันทําให้การพูดออกมาอาจจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นอะไรที่มันพูดแล้วมันจะขัดกันไม่ลงกันเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นนะีมีธรรมะหมวดหนึ่งคุณโยมติว๋วว่าพะทะเจ้าให้ชื่อว่าธรรมะสมาธินะธรรมะสมาธินี่นะ พระพุทธเจ้าสอนไว้กับนายบ้านผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งที่ผู้ใหญ่บ้านคนนี้เขารับฟังข้อมูลมาจากหมอสอนศาสนาในลทัทธิต่างๆก็มาที่หมู่บ้านนี้แล้วก็หมอสอนลทัทธิวิธีการต่างๆของเขาคนนี้ก็สอนว่ า, ากรรมดีมีนะกรรมชั่วมีนะคนนี้ก็บอกอย่างนี้อีกคนนึงก็บอกว่ากรรมดีไม่มีกรรมชั่วไม่มีนะก็เหมือนกับ2 อ, อย่างนี้ตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงเลยแล้วก็จะมีลทัทธิอื่นเช่นว่ า, าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะ อีกคนหนึ่งก็บอกว่าค่าสัตว์อะไรต่างๆก็ไม่เป็นบาปกรรมไม่มีอะไรไม่มีทั้งสิ้นเอ๊ทั้งหมดนี่มันเหมือนกับตรงกันข้ามกันเลยถ้าบอกว่าอันนี้ถูกอันนี้ต้องผิดแน่นอนถ้าวาันนี้ผิดอันนี้ต้องถูกแน่นอนแล้วอย่างไหนมันถูกอย่างไหนมันผิดกันแน่พระพุทธเจ้าจึงให้หมวดธรรมะที่เรียกว่าธรรมะสมาธิเอาไว้ธรรมะสมาธิเนี่ยก็คือแทนที่ว่าเราจะไปดูว่าตรงนั้นผิดตรงนี้นถูกหรือคนนั้นก็ว่างไงคนนี้เขาว่างไงเนี่ยให้เราทํานี้ว่าอ่ะ ถ้าเรามีกุศลกรรมบท10อย่างนะเราละอกุศล10อย่างอยนะที่ว่ามีทางกาย3าใช่ไหมคาสารลักษณะพฤติในการทางวาจา4ไม่พูดโกหกไม่พูดสอสียษไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่พูดกัมยาบแล้วก็ทางใจอีก3เนี่ยคือมิจฉาทิฏฐิความเพ่งเลงแล้วก็ความพยายาม ล, ละสิ่งที่เป็นอกุศล10อย่างนี้แล้วเจริญสิ่งที่เป็นกุศล10อย่างนี้นะมีกุศลกรรมบท10บบวกกับ พรหมมิหาร4ี่กนะุศลกรรมบด10บวกกับพรหมวิหาร4เนี่ยต่อให้เจ้าละทิศนั้นเขาจะพูดว่าเอ้ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยหรือคนนั้นเขาพูดเนี่ยเขาจริงๆเลยเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่าง อ, าง <Alles. S 1> อื่นจิตใจเราก็ ย, ยังมีความสบายเพราะอะไรเพราะเรามีกุศลกรรมบด10เรามีพรหมวิหาร4ี่ต่ตอให้คําที่เขาพูดเนี่ยมันไม่จริงอะ่ะมันเรื่องนี้ไม่ได้เคยเกิดขึ้นแล้วเขาก็อุบลโขขึ้นมามั่วขึ้นมาเนี่ยจใจเราก็ยังสบายเพราะเรามีกุศลกรรมบด10และพรหมวิหาร4ี่ อันนี้ก็เรียกเป็นหมวดธรรมะสมาธิที่พระพุทธเจ้าแนะนําให้ใครก็ตามที่ถ้าเจอเรื่องอะไรที่มันเหมือนกับขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงเอ๊ะฉันจะทํำยังไงดีงงเหลือเกินเอาคุณจเจริญตรงนี้ไปเลยจบเลยคุณจะบายใจได้แน่นอนอันนี้นะค่ะก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากนะคะสําหรับธรรมะสมาธิของท่านเพราะฉันเชื่อว่าบางทีเราจะเจอปัญหาที่ว่าเอ๊ะไม่รู้อะไรถูกไม่รู้อะไรผิดอืมแล้วก็คิดว่า ไม่มีปัญญามากพอที่จะไปรู้ผิดถูกก็ค้างใจอึดอัดไม่สบายใจใช้วิธีนี้เลยนะคะล ะ, ะกุศลกรรมมาบทเจริญกุศลกรรมมาบทสิบบวกกับพรมวิหารสี่ใชด่ดิฉันจะยึดเออขอภายค่ะยึดไม่ได้นะคะดิฉันจะจะรับไปปฏิบัติเอาธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันนี้ถูกต้องแน่นอนท่านคะทีนี้ในกรณีถ้าเรา ต้องการที่จะมีความทุกข์น้อยลงมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าเราไม่มีสติปัญญามากพอที่จะไปศึกษารายละเอียดของธรรมะต่างๆอืมมากๆเนี่ยนะคะไม่ศึกษาได้ไหมคะาการที่จะมารู้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดการทําได้ตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าสิกขาแต่คำว่าสิกขาในการศึกษาด้วยการปฏิบัติ ต, ตอนนั้นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไทร ข้ า, มม า, า่้้า้้้้้้้้้้้้น้้้อั้อ้้น้ะ้ท้่้้้้้้้้้้้้้ก้้้้ข้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อ้้้้้้้้้้อ้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้นน้้นะ้้้้ด้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้้ั้้้้้้้้้้้้ติ้้นะ้้้้้ว้้นะ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ลมหายใจก็ตาม แตสติมันก็มีเครื่องมือหลายอย่างด้วยนะจะใช้ลมหายใจจะใช้อสุภะจะใช้การนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ทั้งนั้นให้มีสติเกิดขึ้นแต่สติตัวเดียวนี่แหละที่จะพาเราให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะนั้นถามว่าคุณจะต้องเรียนสักเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ได้เกิดสติก็เรียนเท่าที่มันจะได้เกิดสติได้แหละอาจจะเรียนนิดเดียว <c oughs> ก็เกิดสติได้เลยบางคนก็เป็นอย่างนี้ <Okay. S 1> บางคนเรียนมากๆแต่สติก็ยังไม่เกิดสักที นอันนี้แสดงว่าเรียนผิดวิธีะฉะนั้นเราไม่ได้ว่าจาเป็นจะต้องเรียนเรียนให้มันมากหรือเรียนให้มันน้อยแต่ให้เกิดการปฏิบัติตอนนั่นเองคุณปฏิบัติได้ตรงไหนตรงนั้นคือถูกต้องละ่ะปฏิบัติอะไรก็คือปฏิบัติสตินั่นเองตั้งสติไว้ดังนั้นอย่างกับบางทีบางที่ครูบาอาจารย์พอเริ่มต้นเปิดฉากก็อารามพบทไม่มากนะักแล้วก็พาพวกเรา เข้าสู่การเจริญสติและให้ปฏิบัติเช่นนั้นเรื่อยไปก็เป็นสิ่งที่อาจจะเพียงพอแล้วถูกต้ตองเพียงพอคือง่ายๆเอาง่ายๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอันนี้ก็ได้ได้ถูกต้ตองกรณีญาติผู้ใหญ่ของฉันนั้นท่านก็คงเหมือนกันนะคะใช่เหมือนกับว่ามาศึกษาในตอนที่อายุมากแล้วแล้วก็รู้แค่นี้แล้วก็นับรับออกมาปฏิบัติปฏิบัติตลอดเวลาถูกต้ตองถูกต้ตองค่ะ อคําถามเล็กๆนะคะก่อนที่จะจบรายการในเวลาที่เหลือน้อยในกรณีที่เราเป็นชาวพุทธก็เป็นคนที่ไม่ได้เชื่อถือศรัทธาเกี่ยวกับการที่จะต้องมีสารเจ้าที่เจ้าทางไปซื้อบ้านหลังใหม่ปุ๊บก็รื้อออกอแล้วพอดีการก่อสร้างต่อเติมบ้านไม่ยอมสําเร็จสักทีกับท่านคนแถวนั้นก็เลยพากันมากระซิบบอกผู้ปกครอง หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านหนูเนี่ยก็ไปเอาสารออกนะบ้านก็เลยไม่ยอมเสร็จสัทีวันนี้ก็มีความทุกข์เพราะว่าเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษาศีลนะคะเขารบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สูงสุดท่านมีวิธีจะให้แก้ปัญหาชีวิตได้ยังไงครับเพราะว่า ผู้ปกครองก็เริ่มชักมีความคิดคล้อยตามคนข้างม า, ากซะแล้วคือมีความลังเลมีความเคลือบแคลงเกิดขึ้นลนนักษณะนี้มีความแบบไม่มั่นใจไม่ลงใจมันจริงเหรอฉันทำอย่างนี้นะคือ น, นี้บางทีมีความาทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมันทําให้เราเขว้ไปไดนะ้ตรงนี้คือจุดที่เราเป็นการมาทดสอบนะคุณโยมติว่าเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะเป็นยังไงเราจะเป็นยังไงเราจะมั่นคงมั่นใจในพระพุทธเจ้าหรือไม่ตรงนี้เป็นเครื่องทดสอบ เป็นจะเป็นตัวที่จะไม่เพิ่มศรัทธาคุณก็ทําให้ศรัทธาคุณตกลงนะคําว่าศรัทธาตกลงก็คือว่าเราก็อ่อนศรัทาในพระพุทธธรมพระสงฆ์ลงหรือเพิ่มศรัทธาขึ้นก็คือว่างั้นจะไม่ส น, นจะมั่นใจตรงนีนะ้วิธีการที่จะให้ไม่เกิดความสบายใจอันดับแรกก่อนเลยว่าเออเออเราจะทําไงดีฉันจะเอากลับมาตั้งหรือว่าฉันจะดําเนินการต่อไปแต่คุณให้พิจารณาการกระทำของตัวเองก่อนนะกุศลก็มาบทกับอกุศลก็มาบทพิจารณาตรงนี้ก่อน ทำเม็ดเสร็จปุ๊บเราเจริญเมตตานะทั้งคนที่มาบอกนั้นด้วยไม่รู้เขาบอกจริงบอกเท็จเจริญเมตตาให้เขาด้วยทั้งเจ้าที่เจ้าทางเพราะว่ามันไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นเราคนเดียวนะสิ่งมีชีวิตที่เป็นอย่างอื่นที่เรามองไม่เห็นก็มีเยอะแยะเราก็เจริญเมตตาต่างๆนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลัง น, ะ น, นี้เราเจริญเมตตาไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเลยนะว่าสมมติเราเจริญเมตตาไปให้ต้นไม้นะมองไปต้นไม้เนี่ยเราจะมีความสบายใจ เนี่เราจเจริญเมตตาให้คอมพิวเตอร์เรามอางไปทำคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะมีความสบายใจค่ะนี่เราจะมีใจที่ประกอบไปด้วยจิตที่มีความรักความเมตตาในสิ่งที่เราส่งไปให้ตรงนั้นเราะจะสบายใจพราะสบายใจปุ๊บการตัดสินใจตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการตัดสินใจที่ที่มันดี อ, อ่ะอืมอ่าค่ะท่านคะถ้าอย่างงั้นนะคะดิฉันว่ามีคนจํานวนมากเลยทีเดียวที่สมมุติว่าปลูกบ้านขึ้นมาหลังนึ่ง อ, ออกบ้านแบบบ้านสักทันสมัยเลย ก็มีความรู้สึกว่าบ้านเราไม่ต้องมีสารพระภูมิหรอกเพราะว่าเราไหว้พระอยู่แล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีนิดๆที่มีคนเข้ามาพูดว่าทําไมบ้านคุณออกจะใหญ่โตจะสร้างสารพระภูมิเงินหน่อยไม่ได้หรือไงอะไรเงี้ยนะคะอ่อก็คิดว่าถ้าแหมถ้าใส่สารพระภูมิลงไปแล้วรูปแบบทางสถาปัตยกรรมทางภูมิทัศน์ทางอะไรเนี่ยอุตสาจ <สา S 1> <ๆ>้างคนมาแพงๆเนี่ยมันเสียทรงไปหมดสมมุตินะคะอืที่จริงเขาคงสร้างให้ได้แหละ ก็เลยใช้วิธีอย่างนี้เจริญเมตตาเลยถ้ามีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่ในว่กบ้านของข้าพเจ้านะก็ขอให้ได้รับเมตตากรุณาบุริตาอุเบกขาด้วยใช่ไหมคะใช่อย่างนี้ก็พอได้ไคะถูกต้องเลยนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำไม่ทำเลยนะคะแนะนาไม่ทำอันนี้คือหมวดทําตรงนี้นะคือตัวเราเอง ไม่ได้มีสิ่งที่เป็นชั่วร้ายลามกใช่ไหมคืออกุศลกรรมบทเนี่ยเราละออกหมดแล้วเรามีแต่กุศลกรรมบุเนี่ยเราตรวจสอบตัวเองตรงนี้แล้วเราไม่มีข้อเสียหายตรงไหนเลยเนี่ยนะะเราตรวจสอบแล้วเราไม่มีข้อเสียหายตรงไหนเลยฉันก็ทําดีหมดนะเออตรงนี้คือข้อที่เราพิจรนารณาก่อนอันดับแรกแล้วถ้าเรายังมีความไม่สบายใจเราจเจริญแม่ตากรุณามุติตาอเุเบกขานีอันนี้แก้ได้ทุกเรื่องเลยอืมนะรู้สึกว่าวันนี้ที่สนทนากับท่านนี่จะเป็นเรื่อง ที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากนะคะคือสามารถนำเอาไปใช้ได้กับทุกๆอย่างดิฉันใช้คํานี้ได้ไหมคะถูกต้องถูกต้องในชีวิตของเราไปท่องให้ได้เลยนะคะว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลท่านบอกอย่างรวบรัดภายในหนึ่งนาทีได้ไหมคะได้ก็คือสิ่งที่เป็นทางกาย3อย่างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติดในกล้ามทางวาจา4ี่อย่างพูดโกหกพูดเพ้อเจอ้อพูดคําหยาบพูดยุยงให้แตกกัน และทางใจสามอย่างคือความเพ่งเลงคิดอยากได้ทรัพย์ของเขาความพยาบาทความปองร้ายและมิจฉาทิฐิเราละสิ่งเหล่านี้นากายวาใจาใจเราดีแล้วแล้วจิตขางในเราให้มีเมตตากรุณามุิตาอุเบกขาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างโทษทุกทางเสมอหน้ากันอันนี้เราตัดสินใจเรื่องอะไร จะทํางานที่ไหนจะคบคนนี้หรือไม่จะลาออกดีไหมจะเริ่มธุรกิจอะไรเราตัดสินใจด้วยจิตแบบนี้เนี่ยเราไปดีแน่จเจริญพรสาธุค่ะฟังไม่ทันพรุ่งนี้ช่วงต้นรายการดิฉันจะนิมนต์ให้ท่านอาจารย์ได้กล่าวสั้นๆอีกครั้งแล้วกันสําหรับวันนี้หมดเวลาจริงๆนะคะเจริญพรนรสร ก, การขอบพระคุณท่านไพบูรณ์เป็นอย่างยิ่งค่ะเจริญพรท่านฟังที่เคารพค่ะและนั่นก็คือประมหาภัยบูรณอภิปุล โ, โนนะคะประสงค์ที่ได้อุทิศตน เพื่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้นำท่านทั้งหลายได้เข้าสู่การศึกษานะคะคือศึกษาธรรมแล้วนำไปสู่การปฏิบัติ ด, ด้วยโดยวัดที่ท่านอยู่คือวัดป่าดอนไหย่งจังหวัดอุดรธา น, นีนั้นมีสถานที่จะให้ท่านทั้งหลายไปหลีเปร้นส ป, ปายะมากนะคะคือเหมาะสมมากสามารถที่จะไปกันได้เป็นประจำทุกเดือนใครสนใจก็อยู่ที่อเาเภอหนองหาจนจังหวัดอุดรธานี แต่ว่าวันนี้เราเชิญท่านมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุทวดสวัสดีค่ะ